คำวโรบมาอย่างตันจเนเบจานิจาโรจันยุกิลำตังเพื่อนประกาศธมิกทุกรูปจเจริญพรจเจริญธรรมมาอย่างคุณแม่ชีนแม่ตามอุบาสกอุบาสิกาทุกตันเราก็นั่งฟังกันพระอรหันต์มาเขาจะตั้งใจพูดวันนี้เป็นเจ้าวันศุกร์ที่29่เดือนสิงหาคม าาปาลา 2,557 ตรงกับขึ้น5รั้นดัน9วันนี้ตอนบ่ายก็คงจะมีการย้ายสริละนกเกลื่อนสริละหลวงพ่อจากี่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อมเขียนไปยังศาลาเป็นศาลาธรรมัตรสุดมนศปลาใหญ่ ด้านหน้าของวัดภูเขาทองเห็นมีการจัดดอก ไ, ไม้สีขาวแล้วก็ประทับปรดากันก็คงจะสมเกียรติหรือสมภูมิจิตภูมิธรรมในทางโลกนะที่ตั้งสมมติบัญญัติกันไว้วันนี้เราก็คงจะได้ไปร่วมกันเคลื่อนย้าย ก็รู้สึกถึงการตรงสงขารหรือว่าการวางทัดกันของพ่อทอที่รับรู้รับทราบข้อมูลก็เป็นไปอย่างงดงามหรือว่าสวยงามอย่างที่เคยจินตนาการเอาไว้นะว่าเวลาตายแล้วก็ มิสติบวกเข้าไปมันจะเป็นความตายที่สวยงามงดงามมราจะต้องอยู่ในผู้ที่ฝึกสติมาดีเท่าที่ฟังข่าวหรือว่าดูทางเว็บไซต์ใครไดยยินเงาเสียงงาอจาันย์นู้ซึ่งเป็นภาพเป็นการบันทึกเอาไว้ในคลื่นของเทคโนโลยียุคจีโนมิกยุคดานเทค ท่านก็พูดถึง5นาทีสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อท่านจะลารับจากโลงนี้ไปท่านก็ได้แสดงออกเวลาธาตุกันใกล้จะแตกท่านก็ไปสักถ่ายปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ท่านก็ได้ลา้ลางมือะละ้างกายจนสะอาด ในเสียงนั้นก็บอกว่ามีการเคลื่อนถังออกซิเจนเข้าไปด้วยมีคนช่วยเหลือบาลามิดดูแลแล้วท่านก็กลับมานอนแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็ได้เขียนบันทึกเไว้ให้คนรอบตัวได้อ่านเป็นกลงังสุดตายว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายเราฟังดูแลมกษสตริย์เหมือ น, นกัน ชีวิตตัดกันไม่ใช่ของท่านนะนะแล้วก็เป็นของพ ว, ดดอพวกที่ดูแลกันอยู่ผู้ที่ดูแลกันอยู่ก่อนที่จะไปก็ยังรักษาใจกันแรียกว่าเมตตาสุดๆปล่อยวางสุดๆให้เราได้เหมือนกับได้อ่านการแสดงออกของท่านตามภูมิจิตภูมิธรรมตามสติตามปัญญา ที่มีกำลังของแต่ละคนแต่ละท่านแล้ก็น้อมก็มาใส่ตนเราฝึกสติกันก็ไปใช้ในวันนี้เนี่ไม่ต้องพูดถึงขณะที่เรากําลังนั่งฟังอยู่ขณะ น, นี้นั่งพูดอยู่ขณะ น, นี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ทุกๆวินาทนีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายการใช้ชีวิต การดำรงชีวิตใช้จิตใช้ใจใช้วาจาใช้ร่างกายมโนสุจริวตวจีสุจริตตายก็สุจริตหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าหันกลับมาดูตัวเองก่อนที่จะหมดลมหายใจในครั้งแรกนะั่นทำทายจะหมดลมหายใจเมื่อการป่วยครั้งแรกของท่าน มองมาแล้วไม่เห็นมีรอยไม่ดีในตัวแม้แต่นิดเดียวเกิดมาก็ตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีแล้วยิ่งปฏิบัติกรรมฐานอันนี้มีความรับผิดชอบจริงๆในการที่จะช่วยเหลือสัพะ ส, ะสัสสรพสิ่งช่วยเหลือชีวิตสปาชีวิตที่อยู่ร่วมกันในโลกใบ น, นี้จะตั้งถึงวินาทีสุดท้ายในรู้ึ สิ่งที่ท่านปฏิบัติมากับหลวงพ่อเทียนมันก็แสดงออกเป็นรูปธรรมจริงๆถึงไม่ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเคยบอกเหมือนกันว่าอาจารย์อันกูบาอันเวลาหลวงพ่อใจจะขาดยังไงยังไงก็ติดต่อทีมนะโทรศัพท์บอกทีมก็อยู่ใกล้ๆจะมาทันทีเลยชั่วโมงหน้าเสี้ยวหน้าขวาน ตรงจุดเนี้มันน่าสนใจทีเดียเราจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์ได้อย่างสนิทใจร้อยเปอร์เซ็ือการตายให้ดูนี่แหละอยู่ให้เห็นก็อยู่ให้เห็นอยู่แล้วผูดให้ฟังทำไมดูอยู่หเห็นยินให้สัมผัสแต่เราต้อตายให้ดูเนี่ยมันก็มันจะฟ้องถึงว่าการปฏิบัติธรรมการฝึกสติปัฏฐานมาการฝึกสมาธิฝึกปัญญามานะ มันให้ผลสมจริงขนาดไหน ม, มันพูดคุยอวดกันไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกบกพร่องไปที่ไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้อยู่ช่วยเหลือเพื่อนโมมิตรกลยานมิตรในการที่จะดูแลหลวงพ่อเมืเ่อคืนนะั้นต้องขอัยอย่างสูงแต่ก็ได้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือไปภูเก็ตปฏิญนาเสนอ ในคําสอนคาบอกคําเล่านะอย่างหลวงพ่อมเขียนหลวงปู่เทียนยังมีกินไออยู่แล้วเราก็สนใจใส่ใจที่จะฝึกหัดปฏิบัติอย่างเช่นคาพูดของหลวงพ่อมเขียนที่เทศจรอยู่ตรงนี้แหละในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาฉันก็ได้พูดด้วยว่าหลวงพ่อเทียนตอนได้ชี้จุดปฏิบัติง่ายๆลัดๆว่า ให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดอ่จารย์ก็สอนว่าให้เห็นใจมันคิดให้ดูกายนะดูกายเคลื่อนไหวเราจะได้เห็นใจมันคิดดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นนิพพานดูอาการเห็นปรามัตตรงนี้นะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทมดูกรรมเห็นนิพพานดูอาการเห็นปรามัต ท่านพูดถึงว่าหลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้แหละประโยคนี้แหละแล้วก็ท่านก็เห็นด้วยท่านเห็นด้วยก็เกิดจากการกระทําเราฟังดูแล้วเราก็เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านที่เรามาอยู่ที่นี่นท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบพอสมควรทีเดียวแล้วท่านเป็นประธานสงฆ์ที่พยายามพูดถึงสภาวะผู้ดู ดูดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เป็นอะไรอะไรกับ อ, อะไรกับ อ, อะไรเราฟังดูแล้วผออลที่มันเกิดมาอย่างนั้นได้มันจะต้องมีสาเหตุก็คือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวดูไกลวนะดูจิตดูธรรมอริยมรรคมีง 8, องค์แปดมาสักครูที่เราได้สวดกันมรรคมีองค์แปดหนทางสู่การพ้นทุกแปดเรื่องมีความชอบตั้งแต่เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ สัมมาคือไม่ใช่สัมไปสัมมาคือขวัญเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาอยู่กันแล้วก็ตัวแต่ขวัญไปสัมไปมันก็ไปไหนไม่รู้แล้วที่แน่ๆคือเป็นภพภูมิเป็นเปรเป็นสัตว์นรกเป็นอาสูรกายเป็นอบายภูมิเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นภพเป็นภูมิแต่พุทธบุตรก็เข้าสู่พุทธภูมินะเป็นพุทธบุตรเรามาบวชเป็นกุลบุตรเป็นกุลริดา เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเพื่อผลให้เกิดที่เราว่าการเดินทางทางจิตใจบุตุชนคนธรรมดาสามันเป็นมนุษย์เป็นพระโดวยเฉ่าเป็นพระจิตมันมีกำลังใจกาลังใจกาลังจิตกำลังใ จ, ง จ, งใจเป็นกำลังที่จะคิดดีพูดดีทำดีเป็นภพภูมิที่ทำให้อยู่และเกิดสันติสุขสันติภาพขึ้นมา อันนี้เป็นความรู้สึกตัวเป็นเรื่องของสติปัฏฐานที่ทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดอะไรหลายหลายอย่างที่เรียกว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่เรากําลังเหมือนกับว่ารับรู้เรียนรู้มีแบบมีอย่างเราก็ปฏิบัติตามกันหลวงพ่อทา่านเคยพูดนะวัดป่าสุตโตเราตายกยมีการฝึกสติปัฏฐานหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีบทสนทนามาล้าง เหลือแต่ซากผลักหักพังท่านพูดอย่างนี้เลยแล้วถ้าพระไม่ได้สนใจในการบิณฑบัตเมืคราวครัง้งหนึ่งท่านพูดดูแลงมากนะดูแรงมากแต่เราฟังแล้วก็ดูเป็นเมตตาเป็นความประณีตนาของท่านท่านบอกว่าพระที่อยู่ที่นี่นะถ้ายังไปปริวาตกันอยู่นะแต่ว่าอันนี้เราต้องไปลงรายละเอียดกันอีกในคําที่ท่านเขียนอยู่ท่านบอกว่า ต่อไปก็ปลดป้ายวัดออกได้กับวัดสถาบันสติปัฏฐานเนี่ยออปลดได้เลยแต่ถ้ามีการฝึกสติกันอยู่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเจริญวัดปล า, าลามก็จะไม่ล้างถึงท่านเรียกว่าดับขันไปคําสอนคําบอกในแนวปฏิบัติการเคลื่อนกันไหวรู้สึกตัวแล้วก็ยังอยู่กันพูกอย่างนี้ มีคราวครั้งหนึ่งมีความประทับใจในตัวท่าน mm. ก็คือเป็นการเก็บอารมณ์เข้มเงินอยู่ในปีแรกๆของการเก็บอารมณ์เข้มที่วัดป่าสุขโตผมเลือกทำมาเก็ตั้งใจไปวัดอย่างตั้งใจใส่ใจเดินนุ่งกลมนั่งจ้างจังหวะการอยู่ก็อยู่แบบเรียบง่ายคือเอาไม้โตไม่แไผยสารไปวางอยู่บนกิ่งไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มันร่มลงมา แวก็อาศัยนอนฝนตกก็เอาพยานมาคลุมนอนไม่มีเต็นต์ใช้ฝ้าบาทกับสังกติหนุนหัวนอนแล้วก็เอาจีวรหม่มเป็นผ้าหม่มก็เลยว่าลองปึกแบบตามมีตามได้มีแค่ไหนก็อยู่มาอย่างนั้นไม่มีก็ไม่ต้องไปอยู่แบบสบายหายอยู่กับต้นไม้กวนไม้ก็ตั้งใจปฏิบัติ หลวงพ่อมเขียนท่านนเดินมาแล้วก็มันนอนอยู่ใต้ต้นไอ้สมอพิเพกเนี่ยตรงกุติเก่าของท่านเนี่ยนะเป็นกุฏิดินที่นะพระที่ชอบปั่จักรยา น, นยได้ไป พ, พักอยู่เสร็จแล้วมันมีแสงแดดล้ำไรลล้ำไรโผล่มาตอนฉันเจ้าเสร็จท่านก็นอนไกห่างนะเนีแล้วท่านก็กระดิกเท้ากระดิกเท้าสั่น ฝ่าเท้าเนี่ยหันใส่หน้าเราเลยะระยะไกลก็ประมาณคุณแม่วิจิตรากาตมาที่นั่งนี่ละหันฝ่าเท้าใส่เราเดินจงกมรมแล้หันกลับมาเจอฝ่าเท้ากระดิกใส่ตรงนั้นเราก็ได้คิดนะจุดเลยว่าอืมท่านนอนนะียังเป็นวิปนะัสสนาไงเราเดินจงกรมไปเดินจงกรกลับมันเป็นวิสมัตถะกรรมฐานอยู่นะ วมันเพ่งมันจี้มันจ้องจาวอะไรตรงนั้นน่ะได้เข้าใจว่ามันการหลุดออดมาผ่อนมาแล้วมันเกิดความสบายในการเดินว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นครั้งที่ชัดๆอีกครั้งนึงโอ้ใจใจท่านนอนท่านก็ไม่ได้มาเดินจงกรมไม่ได้มานั่งจ้างย่างว่านะนอนสันเท้าเล่นๆหันฝ่าเท้าใส่แล้วนัมันเป็นความสบายนอนรู้สึกมันใ้เราเดินมัน เจ้าอะไรยาวอะไรมันหลุดพัวเอามาเลยเออเดินก็เป็นสมถานนอนก็เป็นวิปัสสนานะโอ้มันมีจุดแบบนี้ด้วยนะบางทีท่านก็สดแสดงออกเช่นเวลานั่งฉันอาหารี่นนะประทับใจจริงๆคราวครั้งหนึ่งมีจาร์วราเทพมีจารย์ตุ่มมีผมลวตมามันมีมะเขือเปราะอยู่สามลูกเนมะเขือเปาะมันเป็นมะเขือขืน แต่มันเปราะมันกรอบมากปกติ่มเหนียวเสดงว่ามันทั้งกรอบทั้งดูแล้วมันมันเข้ากับลิ้นของเราตื่นขื่นหวนหวานต่างคนก็ต่างเงียบนะหลวงพ่อท่านฉันว่าก็เงียบอนามาฉันอนามาก็เงียบถ้ามีจานมาเท่าก้วบบโอ้มะเขือเปราะกรอบดีอาจารย์ตุงก็เก็บเม็ดไว้เก็บเม็ดไว้ จาย์ตุ้มท่านเป็นมนุษย์เม็ดไม้แล้วท่านก็เห็นเม็ดไม้แล้วก็ชอบเนละเก็บเอาไว้แต่แล้วก็แบ่งกันเอาเนื้อเอไเปลือกข้างนอกอะแล้วประทานกันชันกันส่วนเม็ดก็อาจจะเก็บไว้เพะ่ะมีบทสนทนาว่าเออมันอร่อยจะเก็บพันเอาไว้นะเดี๋ยวจะเตรียมปลูกอะไเลย้ย น, นะอาจารย์ตุ้มมาวางเสร็จปับ๊บหลวงพ่อหยิบเม็ดมะขือใส่ปากเคี้ยวเกืนเลย ก็คือให้อยู่กับปัจจุบันกันนะก็ถือว่าจตะตกได้ดีนะแต่รูปบอลชุดเข้าประตูเลยประตูตรงเย่ยทันทีทันใดหนึ่งแต้มันั้นมันได้ตื่นรู้จริงๆที่ปัจจุบันกันนะเพราะนั้นเป็นอาจารย์กรรมฐานที่สอนแล้วบางทีก็สอนแบบเซนเคยเจอสอนแบบเซนก็คือท่าน อย่างเมื่อกี้ยกฝ่าเท้าใส่ก็ใช่หบางทีเดินไปด้วยกันเวลามีคิดนิมนต์เน่หลวงพ่อมเขียนท่านก็จะเทศอะไนะเทศให้คนฟังผมเรื้องทำมาจะต้องทำวัดนำทำวัดนำสวดล็ใายพาปฏิบัติอันนี้นเป็นอย่างนี้นตลอดไปเพิ่งมาแยกกันก็ตอนที่ท่านป่วยหนักๆมาครั้งที่ผ่านมาได้แยกกันละคราว น, นี้ มีคิดนี่มันก็ต้องไปเองหลวงพ่อท่านก็ขึ้นลิฟนะต์นะกับผมและตาห ม, มาผมก็นําท่านเข้าลิฟต์ก่อนเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปตอนออกก็นําออกก่อนคล้ายๆก็ทําตัวเป็นบัณิกาต์ทาตัวเป็นพระอุปถาอุปถ ร, รมมาเงี้ก็เดินออก เพื่อให้เหมือนกับว่าท่านเดินตามแล้วก็ปลอดภัยลิปไม่นีบเอาเนะี่ยลิบไมนีบเอาระหว่างนั้นเน่ะท่านเหยียบรองเท้าเลยเลยนะไม่ให้เดินออกก่อนที่โรงพยาบาลบุรีรัมให้ท่านเดินออกก่อนพอภาพออกมาคือท่านเดินออกก่อนแล้วก็มีคนต้อนรับหน้าลิบนั่งบนมมือกล่าวกำลันทางไหวตอนเราเห็นก็ไปกับผู้ใหญ่ะให้ท่านเดินออกก่อน แล้วก็มีครั้งหนึ่งไปที่ประเทศอินเดียอยู่ที่วัดเชตวันกันตอนนั้นมีเจ้าคุณบริยุทธ์ท่านเป็นมั ก, กุเทศก็ได้เห็นว่าม ก, กุเทศนะราพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กขาจะออกก่อนแต่เราก็จะพาท่านเดินก่อนท่านมักจะผลักให้เราเดินก่อนอะไรย่างนี้วันนั้นก็ได้เห็นท่าน แสดงออกด้วยการใช้มือจับเรานะแล้วท่านก็จะเดินคู่ไปกับพระผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสวณะสรรูปหรือว่ากิริยาการต่างๆ่ทจารย์สอนให้เราเป็นคนแล้วนะเวลานำนำเวลาตามตามเวลาอ่อนน้อมอ่อน้อมท่านเคยพูดว่าเวลาแข็งไนหะผู้มีสติจะแข็งอย่างกะเพชรเวลาอ่อนจะอ่อนอย่างกระไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นมาในใจของเราเวลาจะอานฐานก็อ า, านาร เวลาจะล่าเริงในธรรมก็แสดงออกมาอันนี้มันเป็นลักษณะของธรรมชาติของนักปฏิบัติธรรมเราก็น้อมกันมาใส่ตนเราก็ได้เห็นอยู่นั่นแหะว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมหม่ๆจะเก็กแก่งเพ่งจ้องต่างๆรั่เผลอไปตามความคิดจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันมีความพอดีกเกิดขึ้นมาหลวงพ่อเขียนท่านจะแสดงถึงความพอดีนความนิ่ง ความเป็นปกติรรมสม่ำเสมอจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนดูงดงามมากเราก็จึงเหมือนกับว่าได้มีต้นแบบแบบอย่างที่ดีแต่ว่าตอนนี้ทาตุการของท่านแสดงออกไม่ได้ก็เหลือแค่คําพูดที่เป็นคําพูดในสื่อหรือวความทรงจําที่ใครได้อยู่ใกล้กับท่านก็คงจะมีความประทับโอทับใจอยู่ในแ ง, ง, ง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่ง เราก็จึงเหมือ น, นว่าไม่ได้สูญเสียท่านไปจริงๆแล้วใยความที่ท่านอยู่แบบเป็นกายามิตรเราก็ใช้เวลาที่อยู่กับท่านได้เก็บเกี่ยวตักตวงแล้วปฏิบัติธรรมจนเกิดกายธรรมนนในตัวของเราก็เป็นหมดหมายนะเป็นที่พึ่งให้ใจของเรามันมีที่พึ่งแล้วพอใช้ขึ้นอยู่กับการกระทั่งธรรมของแต่และบุคคลการปฏิบัติธรรมกันฝึกสติปัฏฐาน การเจริญสมาธิจเจริญปัญญาต่างๆของแต่และบุคคลอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็เรียกว่าแต่ละคนก็มีอิสระโดยเฉพาะาการปกครองของหลวงพ่อมเกลียนนั้นเป็นการปกครองโดยไม่ปกครองทําห้เราเกิดความรู้สึกเป็นอิสระในการดํารงชีวิตใช้ชีวิตที่เวทป่าสุปโตโเป็นการใช้กรรมจําแนกสัตว์กมมุนาวตีโลโกสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกสัตว์ กนันนันหมายถึงว่าเราก็อยู่โดยมีบา ร, รมีของพ่อม เ, เขียนที่เป็นลมโพล้มใส่สร้างวัดสร้างวายให้กับเรามาตลอดคาเขียนครั้งสุดท้ายที่มีการสื่อกันระหว่างหลวงพ่อ mm hmm. กับกระผมแราธมาก็คือท่านมีความปรารถนาจะสร้างหอพักอยู่ข้างๆด้านขวาตรงนี้ตรงหลังใป้เข้าไปท่านปรารถนาว่าจะให้คนมาอยู่ แล้วก็ได้พักอย่างมีความสะดวกเ่านับรันนับวันคนมามากขึ้นวัดป่าโซโตเจริญเติบโตมากขึ้นอะไรน้องอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิสัยท่านรู้กว่าเมตตาในจิตของท่านขณะที่ท่านป่วยการไหวครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวันประชุมสงฆ์ได้ไปกราบท่านไหว้ท่านนะครับอยู่ในระยะชั้นจิตก็คือท่านนอนหันหน้าออกไปทางถนน นอนนอกสลาที่ท่านได้นอนพักอยู่ขณะที่ป่วยเสร็วแล้วผมรละนมาก็เลยยืนขึ้นบนเอปลอกท่อที่ใส่ต้นเออะไรนะ่ะอะไรช้างนะไอก้กล้วยไม้ช้างนะที่มันเป็นกล้วยไม้ดินก็ปีนขึ้นไปแล้วก็มองนมาท่านในระยะใกล้ๆไม่ถึงเมตรนะ ท่านก็ยกมือประนมไหว้เราก็ไหว้ท่านท่านก็ไหว้เราไปอยู่สองครั้งนะเนีตอนตอนยืนที่แรกแล้วตอนกลับที่กลับก็เพราะว่ามีเสียงคนหมูบอกว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อหลวงพ่อจะติดเชื้อเราก็อืเชื่อฟังกันแล้วเราก็ลงไปส่วนใหญ่การไปอยู่กับท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของร่างกายท่านไม่ได้มากก็มีหมู่มิดนะเห็นแล้วก็ อนุโมทนาที่กระแลมิตได้ช่วยเป็นภาละดูแลหลวงพ่อมเขียนจกระทั่งทัานวางสริละของท่านบับขันอันนี้ก็อนุโมทนาอย่างสูงแต่เรื่องที่ได้ปราวนาไวาหลังจากได้ยินว่าหลวงพ่อมเขียนท่านราสังขารไปตอนตีห้าประมาณตีห้า ไม่แน่ใจว่าเวลาไหนที่มันแม่นยำที่สุดจนถึงประมาณที่สกว่าขนถึงที่ห้านะนะพอทราบข่าวปั๊บก็บอกเลยว่าการฝึกสติปัฏฐานที่เราอยู่กับท่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศจะขอรับผิดชอบเหมือนที่ท่านเคยบอกว่าเขาขอให้ขณะนี้สอนโรจี น, นำบอกให้คนฝึกสติปัฏฐาน ในจุดทิมไปสู่นิพพานวัยวัยก็หมายถึงว่าให้ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนั่นแหละดูกายเห็นจิตมันคิดดูกายเห็นเวทนาเวทาก า, กายก็เกิดขึ้นมาเวทนาที่จิตก็เกิดขึ้นมาสุขๆุทุกทุกดูจิตนะก็เห็นวิธีคิดต่างๆมันเกิดขึ้นมาเป็นกุศลธร ร, รมอกุศลธรรมความคิดเป็นความฉลาดความไม่ฉลาดนะมันมีอยู่ที่คิดนะนะ ถ้ามีสติคิดมันก็เป็นวิชาถ้าไม่มีสติคิดมันก็เป็นอวิชาเป็นตัวรู้กับตัวหลงตัวรู้อยากหรือรู้สึกที่กายเนะ่ยเวนาจิตความคิดกรละเอียดหน่อยไม่มีตัวตนเป็นอนันตาเสร็จแล้วก็เห็นธรรมชาติต่างๆกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นภายนอกก็คือสมมติบัญญัติที่มีอยู่เต็มโรคแล้เหตุปัจจัยของโลก ก็คืออากาศธาตุโลกคือแผ่นดินโลกคือกายสังขานจิตตสังขารจุดนี้มันเป็นจุดที่เราจะได้เหมือนกับว่าเป็นแผนที่ที่ท่านชี้นําเอาไว้นะเรวเราก็เดินตามกันอะไรเห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาท้ายสุดนี้กขอให้ตาลีนอมเอาคําพูดคําสอนที่หลวงพ่อเขียนท่านได้ชี้นําหรือว่าหลวงปู่เตียนได้ชี้นํา หรือพ่อแม่ครูวอาจารย์ของเราที่ร่วงรับไปแล้วได้ชี้นำการบทชาหรือว่าหลวงปู่ชาติตหลวงปู่มัน่นหรือว่าองค์สมเด็จสมม า, านเจ้าได้ชี้นำมาไว้เมื่อกี้พอสวดที่เราสวดกันก็ให้เป็นเรื่องของการทำที่สุดแห่งความทุกข์จะนั่งชีวิตมีแต่ความสุขแสนสารโดยเท่น่ากันทุกท่านทุกคู่ทุ ก, ทกทานามเธอนะ